เราก็ทำวัดจบฟังเทศฟังธกันเป็นอย่างนี้ทุกวันเช้าแล้เย็นวันเย็นเราก็ได้พูดกันถึงเรื่องสิ่งเราทำกัน <c oughs> ก็คือเรื่องความรู้สึกตัวนะมาเจริญสติกัน เราก็ได้ข้อสรุปเป็นข้อสรุปที่มันแสดงออกอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติเป็นความธรรมดาธรรมดา่พอหันกลับมาดูตัวรูปธรรมนามําตัวกายตัวใจก็เห็นความจริงจริ ง, รงทุกคนก็ได้คำตอบอยู่ ก็ลงมือกระทำเดี๋ยวชาวนีนะ้ก็จะเป็นการพูดธรรมะอีกแต่ว่าจะให้ท่านอาจารย์สมใจได้พูดสักนิดหนึง่งในกอดของสาธสุขก็ยังไม่ได้นิมนต์อาจารย์สมใจได้พูดซึ่งบางทีท่านมีภาษาแบบครูบาอาจารย์ ในฐานะที่เคยเป็นครูอาจารย์มาก่อนหลายปีแล้วก็เคยบวชกับหลวงผู้เทียนมาครั้งหนึ่งเคยเป็นประธานของชมรมพุท ธ, ธรรมศาสตร์เพื่อนอาจารย์ไพศาล ร, รุ่นเดียวกันเคยถูกจับติดคุกสมัยตุลาคมซึ่งตำรวจก็ ทำตามหน้าที่ครูกับอาจารย์ใบศารนั่นแหละต่อหลังเกษียณตอนอายุห้าสิบเจ็ดปีเออร์ลี่ก็อยากจะใช้ชีวิตเครื่องแบบที่จะทําให้มีเวลาปฏิบัติธรรมแล้วก็ใกล้ายๆกับ ในเดินทางจรรนสตนะิเป็นการเดินทางให้ยิ่ ง, งขึ้นไปนะท่านใช้ภาษาอย่างนี้ก็เนะลย ว, ว่าจานนี้เห็นสมควรว่าจะให้ท่านได้แบ่งปันนะตามสมควรแก่เวลาแก่ทำต่อไปขอกลับขอาการก น, นัตสงฆ์แล้วากานะ็ขอการหมคะณะ นิม น, นต์จันทสมใจได้พุทธะตามสมควรแก่ทำแก่เวลาต่อไปครับผมครับนิมนต์ครับขอกราบบูชา หลวงพ่อคำเขียนกับรารวะพระพจานทรงสงศสริ์พระจารยร์วัฒนชัยพระเทรานุเทระเพื่อนสาธรมิกก็เจริญพรแมช่ชีแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านก็เป็นปกติธรรมดานะหลังจากที่เราได้ ชำระจิตใจนะของเราด้วยการไหวพระสวดมนต์ชีวิตของคนในเมืองนะส่วนใหญ่เราไม่ก็ยได้มีโอกาสอย่างนี้เราตื่นเช้าขึ้นมาเราชำระร่างกายนะจะเป็นล้างหน้าล้างตาหรืออาบน้ำนะก็เป็นการชำระทางด้านร่างกาย ในส่วนของจิตใจนั้นนะเราไม่เคยได้ทําหรือไม่เคยได้มีโอกาสนะที่จะมาชําระนะสิ่งที่มันหมักหมมนะสิ่งที่มันตกค้างนะอยู่ในจิตใจของเราเพราะฉะนนั้การที่ได้มาวัดป่าสุกโตเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะสําหรับตัวเรานะที่ได้มาชําระทั้งกาย ชำระทั้งจิตใจนะโดยเฉพาะการที่เราได้มาไหวพระสดมนได้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะระลึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะนี่ก็เป็นการชำระจิตใจนะหรือความรู้สึกนึกคิดนะซึ่งส่วนใหญนะ่ในชีวิตของคนทำงานคนในเมืองคนในโลกนะส่วนใหญ่นะเราก็จะหมกมุ่น นะครุ่นคิดกับการงานกับกิจวัตรประจำวันกับการใช้ชีวิตนะที่เป็นไปในลักษณะของการทำไปตามความเคยชินทำนะไปตามความอยากนะความดิ้นรนต่างๆแตนะ่ซึ่งเป็นชีวิตที่บางที่เราก็ไม่รู้นะว่า <c oughs> จุดสุดท้ายของมันคืออะไรแต่ที่แน่ๆ นะสิ่งที่มาผลักดันให้ชีวิตของเราเดินไปดำเนินไปส่วนใหญนะ่เราก็มุ่งสแสวงหาสิ่งที่เราเรียกมันว่าความสุขนะซึ่งก็เป็นความสุขที่ได้มาจากการกินนะได้มาจากการได้ทำสิ่งที่เราชอบนะได้จากการยกย่องสรรเสริญนะเกียรติยศชื่อเสียงต่าง หรแม้แต่ความมั่นคงนะของครอบครัวนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทั่วไปนะเราคุ้นเคยนะคิดว่าอนี้คื อ, อ, อสิ่งที่ชีวิตต้องการนะซึ่งมันก็ถูกละนะมันเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนที่ชีวิตในส่วนของร่างกายนะเป็นส่วนที่ เ, เราต้องการนะก็เกิดการที่เรามีความสุข เรามีความมั่นคงนะในหน้าที่การงานเรามีความมั่นคงในครอบครัวนะเราได้ทำประโยชน์นะเกื้อกูลกับสังคมนะด้วยการทำหน้าที่นะของเราส่วนนี้ก็ถือว่าเป็ น, เ ป, นเป้าหมายนะเป็นจุดประสงคนะ์โดยส่วนใหญนะ่ที่เรามุ่งหวังกัน แต่ถ้าเราสังเกต ด, ดูให้ดนะีชีวิตของเราก็มีอีกส่วนหนึ่งนะก็คือส่วนของจิตใจในขณะที่เรามีชีวิตนะที่มุ่งหมายนะให้เกิดความสุขให้เกิดความมั่นคงของชีวิตของครอบครัวของหน้าที่การงานนะบางทนะีมันก็มีแรงเสียดทานมีความขัดแยง้งมีความทุกข์มีความเครียดนะเกิดขึ้นมาภายในจิตใจของเรา ซึ่งในแต่ละวันนั้นนะถ้าเราสังเกตดูให้ดนะีสิ่งเหล่านีนะ้มันก็มีเข้ามาเป็นบางครั้งบางเวลาบางทีก็ามากบ้างบางทีก็น้อยบ้างนะหลายคนนะก็พยายามหาทางออกนะหรือว่าบําบัดนะปัญหาเหล่านีนะ้ด้วยการไปดูหนังฟังเพลงนะการไปเที่ยวสวนเสฉนะฮ่าซึ่งอันนั้นก็เป็น เป็นเป็นเรื่องของการที่เราพยายามนะที่จะแก้ปัญหาและก็คือความเครียดนะความอึดอัดนะหรือความไม่สบายกายไม่สบายใจซึ่งการกระทำอย่างนั้นนะก็ช่วยไดนะ้เป็นในบางครั้งบางคณะนะบางเวลาเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อมันบาบัดไปนะมันก็เกิดการเสรพติดขึ้นมา การเสพติดที่เราจะต้องดูหนังฟังเพลงการเสพติดที่เราจะต้องกินดื่มเที่ยวนะซึ่งจะต้องใช้ เ, เวลาใช้เงินใช้ทองนะและแล้บางทีก็ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายเกิดโครคภัยไข้เจ็บนะเงินทองไม่พอใชนะ้นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราพยายามหาทางนะที่จะบำบัดนะหรือจะแก้ไขความเครียด นะหรือปัญหาในเรื่องของจิตใจของเรานะซึ่งตรงนั้นนะก็เป็นสิ่งที่เราจะคุ้นเคยกันดีแต่เราหารู้ไม่ว่าปัญหาทางจิตใจเนี่ยนะมันจะต้องแก้นะด้วยสติด้วยปัญญาเราไม่สามารถที่จะแก้โดยการที่เราอาศัยวัตถุภายนอกนะก็คือการไปเที่ยวเตนะการดื่มสุรา อย่าเมาการได้กินนะการได้สนุกสนานนะปัญหาทางด้านจิตใจนั้นเราจะต้องแก้ด้วยสติด้วยปัญญาสติปัญญานั้นนะโดยธรรมชาติของเรานะ่มีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญนะหรือว่าเราไม่ได้สนใจอาจจะเป็นไปได้ว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเราไม่เคยได้มาสัมผัส เพราะในโลกปัจจุบันนะส่วนใหญนะ่ในทางธุรกิจก็ดีในทางการเมืองก็ดีนะเขาพยายามที่จะชักจูงจูงใจชักชวนให้เรานะไปตอบสนองสิ่งที่เขาเสนอนะจะเป็นสินค้าก็ดีเป็นบริการก็ดีเป็นอุด ม, ดมการนะความเชื่อต่างๆนะให้ตามทำตามในสิ่งที่เขามุ่งหวัง แลนะก็คือตรงนี้เป็นสิ่งที่บางทีเราก็ไม่รู้เท่าทันนะเราก็ทำตามๆกันไปนะเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันอิ่มอกอิ่มใจเสียทีหนึง่งนะเรารู้สึกกระหายเรารู้สึกหิวนะเราต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนนะในการที่จะไปวิ่งหาความสุขนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราได้มาหยุดนะได้มาใคราครวนได้มาทบทวนนะเราก็จะพบว่า โอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นในจิตใจนี้นะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของเรามันไม่ได้เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกนะสภาพแวดล้อมภายนอกนั้นเป็นส่วนประกอบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะถ้าเราหันกลับมานะมาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจของเรานะเราก็จะพบนะว่าปัญหาต่างๆนะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ จุดเริ่มต้นนะมันอยู่ที่ใจของเรานี่เองอยู่ที่ใจของเราที่ไม่รู้เท่าทันนะไม่รู้เท่าทันอะไรไม่รู้เท่าทันความอยากนะไม่รู้เท่าทันความยึดติดในสิ่งต่างๆไม่รู้เท่าทันคําโฆษณาชวนเชื่อน่าของโลกนะที่เขาเสนอเชิญชวนนะให้เราวิ่งไปตามกระแสนของโลกนที่มุ่งหมายที่ให้เกิดการ กินะในการที่จะเสพนะในการที่จะให้เรามีความสุขสนุกสนานนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยนะวันแล้ววันเล่านะที่เราคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อเรากลับมานะดูที่จิตใจของเรานะเราก็จะพบว่าจิตใจของเราเนี่ยถูกละเลยถูกทอดทิ้งนะไม่มีการเอาใจใส่นะเราก็เลย โดนความอยากนะความหลงความไม่รู้ผนะักใสนะหรือว่าผลักดันนะให้เราทำไปตามาความไม่รู้นั้นครับนะเพราะฉะนั้นก็ทาให้เราความทุกข์ของเราเนี่ยก็ไม่ได้รับการบำบัดนะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดตรงไปตรงมาปัญหาของจิตใจนั้นนะจำเป็นที่เราจะต้องหันกลับมา นะมาดูมาเรียนรู้นะใจของเรานะที่มันแปรเปลี่ยนมันไม่คงที่นะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตรงนี้นี่เองเนื่องจากใจเป็นสิ่งที่ไม่มีถิตนเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเราไม่สามารถเจนได้ด้วยตาเนื้อจำเป็นที่เราจะต้องอาศัยเครื่องมือพิเศษอันหนึ่ง น, นะก็คือสติสัมปชัญญะนะหรือความรู้สึกตัว สติสัมปชัญญะนะหรือความรู้สึกตัวนี้นะมีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าส่วนใหญนะ่เราจะใช้ไปสำหรับการมองไปข้างนอกนะหรือเราใช้ไปในการํำการํำงานนะซึ่งตรงนั้นนะก็เป็นประโยชน์ในส่วนหนึ่งแต่สติสัมปชัญญะเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะหันกลับมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราได้ด้วย เป็นเครื่องมือสําคัญานะที่จะมาปลดปล่อยนะปลดปล่อยให้ใจมันเป็นอิสระปลดปล่อยให้ใจของเราเนี่ยไม่โดนความอยากนะความยึดติดนะหรือความไม่รู้เนี่ยมันครอบงำเอาสติสัมปชัญญานั้นเป็นสิ่งที่มีพลังนะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะพัฒนาได้เป็นสิ่งที่ มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นมากขึ้นเพียงพอเพราะนั้นการที่เรามาที่วัดป่าสุกโตนะเราได้มาเรียนรู้นะเรื่องของสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวเนี่ยถือว่าเป็นการที่เรานะพยายามที่จะมาพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วเครื่องมือพิเศษที่มีอยู่แล้วนะที่จะใช้ในการเรียนรู้ นะเรื่องกายเรื่องใจของเราด้วยวิธีการง่ายๆนะซึ่งวิธีการนี้นะหลวงพ่อเทียนนะได้นำเสนอไว้เมื่อห0ปีที่แล้วนะแล้วก็ไปสอดคล้องนะกับสิ่งที่พุทธองค์นะได้กล่าวไว้ในมาสติปฐานสูตรนะในหมวดสัมปชัญญะบพะอริยบัพนะซึ่งตรงนีนะ้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันนะว่า สิ่งที่เราได้มาเรียนรู้เนี่ยเป็นการดำเนินรอยตามที่พุทธองค์ได้ส่งสั่งสอนโดยหลวงพ่อเทียนเป็นผู้เชื่อมต่อคำสอนนั้นจาก 2,600 กปีที่แล้วมาสู่ยุคของเราซึ่งเป็นยุคปัจจุบันการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยหลายคนที่ไม่คุ้นเคยก็จะมีความรู้สึกไม่ไว้ใจ รู้สึกยังไม่ศรัทธายังสงสัยอยู่ว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรหลายคนจะคุ้นเคยนะกับการฝึกสมาธิกับการปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งหลับตานาะให้จิตมันสงบนะซึ่งความสงบแบบนั้นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นความสงบแบบนิ่งแบบไม่รับรู้อะไรจิตใจไม่ต้องคิดอะไรนะซึ่งตรงนี้เนี่ย นะก็เป็นสิ่งที่เจ้าจายสิทธาได้คน้นได้ไปเรียนรูนะ้กับอาจารย์สองท่านคืออาลาลาดาบทอทุกาดาบทนะซึ่งก็ยังไม่พอใจนะเพราะว่าความสงบนิ่งแบบนั้นเนี่ยก็เพียงแต่ทําให้เราได้พักผ่อนะช่วงขณะที่เรานั่งหลับตาช่วงขณะที่เรานั่งพักเท่านั้นเองแต่เมื่อเราลืมตาขึ้นมาเรายังต้องไปทําการทํางาน เรายัางต้องพบปะผู้คนนะบางทีมันก็มีเรื่องที่มากระทบกระเทือนใจทําให้เราพอใจไม่พอใจก็ได้นะเพราะฉะนั้นความสุขนะความสงบนะเพียงแค่ชั่วขณะที่เรานั่งหลับทานั้นนะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าประโยชน์น้อยเกินไปแต่เมื่อเรามาเจริญสตนะิด้วยการเคลื่อนไหวนะตรงนี้เนี่ยนะก็เรียกว่า เราจะได้เผชิญกับอารมณ์กับความนึกคิดนะซึ่งเป็นปัญหาอันหนึ่งที่ทําให้เราหนัก อ, อกหนักใจทําให้เราทุกข์อกทุกข์ใจทําให้เรามีความขัดแย้งนะภายในจิตใจของเรารตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ให้เราได้เรียนรู้นะกับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเป็นความทุกขนะ์อย่างตรงไปตรงมา เพราะนั้นคนที่เริ่มต้นนะในการที่จะมาเรียนรู้นะการเจริญสตินั้นนะก็จะได้เรียนรู้ความทุกขนะ์ซึ่งเป็นประตูแรกนะของอริยสัจสี่การเรียนรู้ทุกข์นั้นนะเราสามารถจะเรียนรู้ได้โดยการจดจําจากตํำรับตำราจากการได้ยินได้ฟังแต่ความรู้วันนีนะ้เป็นความรู้ที่ยังไม่ใช่ของจริง นะเป็นเพียงแค่รู้จำเราได้ยินได้ฟังมานานตั้งแต่สมัยเราเรียนในโรงเรียนนะอริยสัจสีคืออะไรมีอะไรบ้างเรารู้หมดนะแต่ว่าเราก็ยังทุกข์อยู่การที่เรารู้อย่างนั้นเขาเรียกว่ารู้จำแต่เมื่อเรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยเราได้สัมผัสกับความทุกข์จริงๆนะโดยเฉพาะอารมณ์นะที่เราเรียกว่านิวรณ นะความง่วงความเบื่อนะความฟุ้งซ่านนะความสงสัยลังเลนะตรงเนี้ยนะเป็นความทุกข์ที่เขามาแสดงตัวให้เราดูส่วนใหญ่เนียเราจะไม่คุ้นนะเราจะไม่คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้เราก็จะปฏิเสธเราก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นเราไม่อยากที่จะให้มันมีแล้วเราก็ปฏิเสธไปเราพยายามจะหลีกหนี พยายามที่จะวิ่งหนีมันซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราวิ่งหนีเราไม่ผเผชิญเราก็พลาดโอกาสสําคัญาที่จะเรียนรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในตัวเราการที่เราพลาดโอกาสตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้สติ ป, ปัญญาของเราไม่เกิดขึ้นสติ ป, ปัญญาในการที่เราจะผ่านความทุกข์นี้ไปได้เนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสแต่เมื่อเรา เผชิญกับความทุกข์นะเผชิญกับอารมณ์เผชิญกับความคิดต่างๆซึ่งนะกา ร, รเผชิญ น, นั้นนะเราก็เผชิญด้วยสติด้วยปัญญานะด้วยความรู้สึกตัวเราไม่ได้เผชิญแบบคนไม่มีเครื่องมือนะหรือคนไม่มีอาวุธนะในการที่เราจะเข้าไปเรียนรู้ในการที่เราจะไปทําให้เกิดสติปัญญาขึ้นมานะตรงนี้เนี่ย นะเพราะนั้นสิ่งที่เรามาทำกันเนี่ยนะถือว่าเป็นการพัฒนาความรู้สึกตัวนะพัฒนานะภาษาทางบาลีเขาเรียกว่าภาวนานั่นเองนะเป็นการทำบุญชั้นสูงสุดนะเรียกว่าภาวนาใหม่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วการให้ทานการรักษาศีลนะซึ่งตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทำกันโดยทั่วไปนะแต่ที่เรามาทำนี่เรียกว่าภาวนาใหม่ นะการทำบุญสูงสุดนะการมาทำที่จิตที่ใจของเรานะการที่เรามาพัฒนาความรู้สึกตัวขึ้นมาในรูปแบบของการเจริญสตินะที่เราทำกันเนี่ยนะโดยเฉพาะการสร้างจังหวะนะการเดินจงกรมนะนี่เป็นรูปแบบสำคัญนะที่เราไม่ควรจะละเลยแม้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม อยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยเมื่อเราอยู่ว่างเนี่ยเราอย่านั่งนิ่งๆ น, นะอย่านั่งหลับตาให้ลืมตาขึ้นนะยกมือนะให้เกิดการเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวเนี่ยจะเป็นการปลุกธาตุรู้นะธาตุรู้ก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองให้มันตื่นขึ้นธาตุรู้นั้นนะหลวงพ่อคำเขียนใช้คาว่าเป็นตาวิเศษ นะเป็นตาวิเศษที่เราจะเข้าไปดูนะกายใจของเรานะซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้จนเราลืมนะเราให้ความสนใจมันน้อยแตเพราะนั้นในชีวิตแต่ละวันของเราก็เลยไม่รู้จักความทุกข์ไม่รู้จักทางออกที่จะออกจากความทุกข์ไดนะ้เมื่อเรามา ปลุกความรู้สึกตัวหรือปลุกธาตุรู้นะให้ตื่นขึ้นเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ของเขานะเข้าไปดูกายดูใจนะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะก็จะดูที่กายก่อนนะการที่ไปดูที่กายก่อนเนี่ยเพราะว่ากายเนี่ยเป็นของที่เห็นได้ง่ายคำว่ากายในที่นี้เนี่ยนะก็คือขณะที่เรานั่งอยู่นี้ นะเราก็รู้ตัวว่าเรานั่งอยู่นะเรายกมือนะเราก็รู้ตัวว่าเรายกมืออยู่นะจะเป็นพลิกเป็นเคลื่อนเป็นหยุดนะก็ให้รู้เป็นขณะขณะไปนะเมื่อเรารู้สึกปวดรู้สึกเมือ่อนยะนี่ก็เป็นอาการของกายที่มันเกิดขึ้นแต่ก่อนเมื่อเราปวดเราเมื่อยนะเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดนะเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบาย นะซึ่งอันนี้ก็เป็นความทุกข์ทางกายที่เกิดขึ้นนะที่เขามาแสดงที่เขาปรากฏให้เราดูนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเราก็เรียนรู้ลงไปนะเราก็อาจจะบรนเทานะผ่อนคลายนะด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถแต่ว่าอย่าเปลี่ยนทันทนะีให้เปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวนะให้เขาขอสักสองครั้งหรือ3ครั้งนะก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการฝึก ที่จะให้เรารู้จักการยับยั้งชั่งใจการจะทําอะไรเราไม่ได้ทําไปตามความเคยชินเก่าๆเราไม่ได้ทําไปตามความที่มันปวดมันเมื่อยนะแต่เราทําไปได้วยความรู้สึกตัวนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราเรียนรู้ทุกขนะ์แล้วก็เรียนรู้การที่จะออกจากทุกข์ได้ด้วยนะเมื่อเราปเปลี่ยนเอเรียบทนะเราก็ให้สังเกตดูนะ ความเจ็บความปวดความเมื่อยมันจะคลายไปนะถ้าเราดูให้ดีๆนะบางทีเราก็ไปเห็นจิตเห็นใจของเรานะที่มันเกิดความพอใจนะที่มันคลายออกไปจิตนี่มันจะเปลี่ยนได้เร็วมากนะมันพลิกนิดเดียวนะมันก็สามารถที่จะจากทุก์จากรู้สึกอึดอัดนะก็จะรู้สึกเบาสบายขึ้นนะนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ น่าโดยอาศัยตาสติตาปัญญาน่าหรือความรู้สึกตัวนั่นเองจากกายนาที่หยาบน่าเราก็ทำบ่อยๆนะเพราะนั้นจุดสำคัญของการฝึกเจริญสติก็คือต้องทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำให้ต่อเนื่องนะคำว่าต่อเนื่องในที่นี้นะ่าหมายถึงว่าเป็นความรู้สึกตัวแต่ละขณะแต่ละขณะนะ แรกๆเนี่ยมันก็ จ, จะเพ่งจ้องอาจจะตั้งใจนะที่จะให้มันเกิดตลอดเวลานะซึ่งตรงนั้นบางทีมันก็จะอึดอัดนะมันก็ จ, จะหนักขึ้นมาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะเราก็ทําด้วยความผ่อนคลายได้นะถ้ามันเพ่งมันจ้องมันหนักนะเราก็แก้ไขนะด้วยการที่ผ่อนคลายนะทำให้สบายขึ้นนะไม่ต้องหวังอะไรไม่ต้องการอะไรทําไปเรื่อยๆ นะแต่ทําไปเรื่อยๆด้วยความรู้สึกตัวอย่าทําไปเรื่อยๆด้วยใจลอยๆยกไปอย่างนั้นเองนะก็ครูบาอาจารย์บอกให้ยกก็ยกเห็นเพื่อนเขายกก็ยกนะแต่ยกไปแต่ใจลอยก็มีนะตาลอยๆนับวันกลับแล้วนะวันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะได้กลับแล้วนะตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเสียเวลานะเสียเวลาที่ มาอยู่ที่วัดป่าสุกโตและเราไม่ได้มาฝึกนะการเจริญสติทีนี้เมื่อเรารู้เท่าทันกายนะด้ยการทําให้บ่อยๆทําให้ต่อเนื่องนะมันก็จะเข้าไปรู้นะสิ่งที่เป็นนามธรรมานะอย่างเช่นความปวดความเมื่อยความพอใจไม่พอใจความสุขความทุกข์ นะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราจะไม่ค่อยคุ้นกันแต่มันอยู่กับตัวเราอยู่ตลอดเวลาก็คือความปกติความไม่สุขไม่ทุกข์นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเป็นพื้นฐานนะที่สำคัญของใจนะที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้เพราะนั้นสิ่งที่เราจะเรียนรู้เนี่ยนะมันมีอยู่แล้วในตัวเรานะความรู้สึกสุขทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์นะ ที่เราเรียกว่าความปกตินั่นเองนะตรงนี้เราก็เรียนรู้เข้าไปนะโดยอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเครื่องมือวิเศษนะที่จะให้เรารู้เข้าไปเรื่อยๆทีนี้นในระหว่างนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะนอกจากเราจะเห็นกายเห็นความสุขความทุกข์แล้วนะมันก็จะมีความคิดนะความคิดในเรื่องต่างๆ นะทั้งเรื่องในอดีตนะเรื่องอนาคตนะหรือแม้แต่ความคิดในสิ่งที่อยู่ปัจจุบันนี้นะมันก็จะมีเข้ามาเป็นบางเวลานะบางทีก็แวบมาแวบไปความที่เราไม่เคยได้มาฝึกไม่ได้มาเรียนรู้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยพอมันมีความคิดอะไรขึ้นมาเราก็จะคิดต่อไปเป็นเรื่องเป็นราวนะบางทีก็ เป็นเรื่องที่เราพอใจบางทีก็เป็นเรื่องที่เราไม่พอใจอาจจะเป็นความฝังใจนะในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะบางอย่างก็ประทับใจบางอย่างก็ไม่ประทับใจนะตรงนี้เนี่ยนะความที่เราไม่เคยได้ฝึกมาก่อนความที่เราไม่เคยได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็จะไปตามความคิดไปตามอารมณ์นะก็ทํทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสุขสุขทุกท ก, ทก ใจฟูฟูแฟบแฟบนะแต่สุดท้ายเนี่ยนะเมื่อมันเหนื่อยมากๆมันก็จะกลับมาเป็นปกตินะ่ง้ตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะหรือบางทีมันก็ถึงจุดหนึ่งเราโอ้เราเกิดความรู้สึกึ้นมาเราไม่เอาละเราปล่อยวางนะอันนั้นก็คืนสู่ความเป็นปกติแต่ถ้าเราได้มาฝึกเนี่ยนะเราจะรู้เท่าทันความคิดนะความคิดทั้งคิดดีคิดไม่ดีนะ ความพอใจไม่พอใจเนี่ยนะเราก็จะไม่ตามมันไปมันคิดขึ้นมาเราก็กลับมาที่การเคลื่อนไหวกลับมารู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวจะเป็นการสร้างจังหวะ ก, ก็ดีการเดินชงกลมก็ดีให้กลับมาตรงนี้ให้ได้บ่อยๆนะเราจะเก่งนะเราจเจนพัฒนาการได้นะจากการที่แต่ก่อนเนี่ยนะพอมันคิดเรื่องอะไรขึ้นมาเราก็ตามความคิดไป แต่เมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเมื่อมันคิดขึ้นมาเรากลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวความคิดมันก็จะถูกทิ้งไปเองเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทิ้งเราไม่ตั้งใจที่จะปล่อยเพียงแต่เราเปลี่ยนความสนใจจากความคิดมาอยู่ที่ความรู้สึกตัวแค่นี้เท่านั้นเองเป็นสิ่งที่เราจะทำแต่ทำให้มันบ่อยๆทำให้มันเกิดความชนานาญชนานาญที่จะกลับมารู้สึกตัว เมื่อกลมารู้สึกตัวได้บ่อยๆเนี่ยเราก็จะสัมผัสกับจิตที่เป็นปกติใจที่เป็นปกตินะซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้นะของใจที่มีอยู่แล้วใจที่เป็นปกตินี้แหละนะ่ะเป็นที่พึ่งนะ่ะเป็นที่อาศัยที่แท้จริงนะ่ะเป็นบ้านที่แท้จริงของเราหลายคนอาจจะเกิดความวิตกกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราไม่คิดแล้วเราจะไปทางานอย่างไร ตรงนั้นไม่ต้องไปกังวลเลยนะเพราะว่าความคิดเนี่ยเขาจะต้องทำงานของเขาอยู่ตลอดเวลานะมีบางช่วงที่อาจจะพักบ้างในช่วงที่เรามาอยู่วัดป่าสุกโตเรามาฝึกเนี่ยไม่ว่าจะคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยจะตั้งใจคิดหรือไม่ตั้งใจคิดทิ้งให้หมดก่อนอันนี้คือเราฝึกนะฝึกที่จะปล่อยวางความคิดโดยอาศัยการที่จะกลับมารู้สึกตัว ถ้ า, าเราฝึกอย่างนี้ได้บ่อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะจัดระเบียบความคิดได้อันไหนที่จะคิดตั้งใจคิดในการทำการทำงานนะมันก็จะมีสมาธิในการที่จะคิดใครครวญไตรตรองนะให้รอบคอบนะอันไหนที่เป็นความคิดที่มันจุกจิกเป็นความคิดที่ทำให้เราหมดพลังนะไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคิดมัน แล้วก็ทิ้งมันได้เพราะนั้น <c oughs> เมื่อเราได้ฝึกตรงนี้เนี่ยนะเราก็จะมีเครื่องมือแล้วในการที่จะจัดระเบียบความคิดการฝึกปฏิบัติโดยวิธีนี้ไม่ห้ามความคิดนะแต่ก็ไม่ตามความคิดมันคิดขึ้นมาเราไม่ตามแต่เราไม่ห้ามเรากลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆตรงนี้นะเราจะได้ชีวิตใหม่เป็นชีวิตแห่งความรู้สึกตัว แต่ก่อนนั้นเรามีชีวิตนะที่เป็นไปตามความเคยชินนะเป็นไปตามอารมณนะ์เป็นไปตามกระแสของโลกแต่ต่อไปนี้เนี่ยเราจะมีชีวิตด้วยความรู้สึกตัวด้วยสติด้วยปัญญาสติปัญญานีนะ้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะคุ้มครองนะทำให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นปกติทำให้จิตใจของเรานั้นไม่ฟูไม่แฟบนะไปตามที่ เราเคยเป็นชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่เป็นปกติสุขแต่ไม่ใช่ชีวิตที่เฉยชาไม่ใช่ชีวิตที่เย็นชาหรือไม่ใช่ชีวิตที่ตายด้านนะบางคนอยากจะสงสัยเอ๊ะอะไรก็ปกติอะไรก็ปกติอะไรก็เฉยเฉยอะไรก็เฉย ๆ, อ, ฉยๆอย่างนี้ชีวิตก็ไม่มีรสชาติสิจริงๆมันเป็นรสชาติที่น่าดื่มดาเป็นรสชาติที่เป็นความสุขที่ประณีต เป็นความสุขที่มีอยู่แล้วในตัวเรานะซึ่งมันมีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราหลงลืมไปเราไปแสาง ห, หาความสุขจากวัตถุภายนอกนะจนหลงลืมนะความสุขที่ประณีตที่มีอยู่ในใจเรานะก็คือความเป็นปกติสุขเมื่อเราสัมผัส <c oughs> กับความคิดนะซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเป็นสิ่งที่ว่องไว เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนก็บอกความคิดนวัไวกว่าแสงแต่สิ่งที่ไวกว่าความคิดคือความรู้สึกตัวเพราะนั้นสิ่งที่เรามาเรียนรู้เนี่ยอตมามีความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เร็วที่สุดในจักรวาลก็ไดนะ้ความรู้สึกตัวเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จะใช้ประโยชนนะ์ให้เรารู้เท่าทันความคิดเนะมื่อรู้เท่าทันความคิดเนี่ยเมื่อตาใจนะคือความรู้สึกตัวมันตื่นขึ้นแล้วเนี่ย อะไรเกิดขึ้นต่อไปนี้เราจะได้รู้มันทั้งหมดนะซึ่งเราเรียกว่าเป็นธรรมะนั่นเองสิ่งที่มากระทบตาทาให้เกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจสิ่งที่เราได้กระทบกับหูนะเกิดความพอใจไม่พอใจนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้นะแล้วเราก็จะไม่หลงนะไปกับสิ่งต่างๆที่เอ่อมันชวนให้เราหลง นะเพราะนั้นชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่จะดำเนินไปด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่ชีวิตที่ดำเนินไปนะโดยอาศัยอ า, อารมณนะ์การดำเนินชีวิตไปตามอารมณ์การดาเนินชีวิตไปตามความเคยชินเก่าๆ เ, เพราะนั้นตรงนี้เราจะได้ชีวิตใหม่นะในระยะเวลาสองวันสาวันถ้าเราตั้งใจนะที่จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ เราจะได้ชีวิตใหม่เป็นชีวิตแห่งความรู้สึกตัวเป็นชีวิตแห่งสติปัญญาไม่ใช่ชีวิตที่ทำอะไรไปตามอารมณ์เหมือนแต่ก่อนแล้วนะซึ่งตรงนีนะ้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่าไม่สามารถที่จะซื้อได้ด้วยเงินนะไม่สามารถที่จะทำให้กันได้นะแต่ละคนก็ต้องทำตัวเองฝึกตัวเอง นะด้วยความเพียรด้วยความพยายามด้วยความตั้งใจใช้เวลาทุกเวลานาทีนะของที่มาอยู่ที่นี่นะในการที่จะเรียนรู้เรื่องนี้เมื่อเราสามารถจเจริญสติในรูปแบบได้เดี๋ยวมันจะขยายผลนะไปสู่การมีสติหรือมีความรู้สึกตัวในชีวิตประจําวันนะไม่ว่าการเข้าห้องน้ําการกินการดื่มการขับถ่าย ตรงนี้ก็จะทําทให้เราทําด้วยความรู้สึกตัวมันก็จะมีกริยาการที่นุ่มนวลขึ้นทําอะไรด้วยความอารอบคอบขึ้ น, นาการใช้ทรัพยากรต่างๆก็จะใช้ด้วยการประหยัดอย่างเช่นตัวอย่างอันหนึง่งอย่างเช่นการอาบน้ำเนี่ยถ้าเราสังเกตด้วยดีถ้าเราอาบโดยไม่รู้สึกตัวไม่มีสติเนี่ยมันจะเปลืองน้ํามากาเราจะลาด โครมโคลงกันไะปแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็ค่อยลาดทีละขันทีละขันนะก็จะใช้น้ําไม่เปลืองมากการใช้ไฟก็เหมือนกันนะการกินก็เหมือนกันเราก็จะกินแต่พอดีเราไม่ได้ไปกินตามความอยากนะตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดผลนะให้เรามีชีวิตที่เป็นปกติสุขเป็นชีวิตที่พอเพียงนะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปในตัว นะตามโครงการของกระทรวงสาธารณาสุขนะที่ว่าจะทำข้าราชการให้เป็นข้าราชการที่ดีนะข้าราชการที่ดีเนี่ยคนเรามันจะดีเนี่ยต้องอยู่ที่ใจดีเมื่อใจดีก็ทำให้คนดีเมื่อคนดีมันก็ทำให้งานดีนะเมื่องานดีมันก็ทำให้สังคมดีพการพัฒนาที่แท้จริงเนี่ย มันต้องมาเริ่มต้นที่ใจนะไม่ใช่ไปเริ่มต้นที่จากข้างนอกนะถ้าเราเริ่มต้นที่ใจนะมันจะทำให้เกิดความผาสุนะเกิดขึ้นในครอบครัวในหน่วยงานในสังคมในโลกต่อไปนะเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นภาร ก, กิจนะเป็นภาร ก, กิจสาคัญนะถ้าจะพูดให้เอ่อเป็นภาษาลิเกหน่อยเรียกว่าเป็นภาร ก, กิจศักดิ์สิทธ ที่เราจะมาทำตัวของเรานะให้เป็นผู้ที่มีกายมีใจที่เป็นปกติมีชีวิตนะอยู่ด้วยความรู้สึกตัวด้วยสติด้วยปัญญานะซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะไปใช้ได้นะในชีวิตประจาวันของเรากับคนกับตัวเราเองกับคนในครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานนะกับสังคมกับประเทศชาติต่อไป นะซึ่งอันนั้นก็คงจะเป็นเป้าหมายร่วมกันนะของการที่เราจะอยู่ในโลกนะเป็นโลกที่มีสันติสุขมีสันติภาพต่อไปนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะขอนำเสนอนะในเช้าวันนีนะ้เพื่อเป็นการสนับสนุนนะส่งเสริมนะให้เราได้มีใจนะที่จะศรัทธาที่จะมีความเพียรพยายาม นะที่จะมาเรียนรู้นะกายใจของเราด้วยสิ่งสิ่งเดียวคือความรู้สึกตัวเครื่องมือนี้อันเดียวนะไม่ต้องทำอะไรมากทำตรงนี้บ่อยๆทำเรื่อยๆนะลองดูพิสูจนะ์ดูเป็นสิ่งที่ท้าทายที่พุทธองค์ได้นำเสนอไว้เมื่อประมาณสองพกว่าปีที่แล้วนะซึ่งมาถึงปัจจุบันก็ยังมีกลิ่นอายอยู่นะนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนาเสนอให้กับทุกท่าน ก็คิดว่าในส่วนของการนําเสนอก็พอสมควรเก็เวลานะในท้ายที่สุดนี้นะขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนตรยัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิดบานนะก็คือสติปัญญาที่มีอยู่ในตัวเรานั่นแหละนะเพราะนั้นพระพุทธเนี่ยมีอยู่ในตัวเราแล้วนะพระธรรมนะก็คือสัจธรรมความจริง นาที่แสดงหรือปรากฏอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนาที่จะให้เรามาเรียนรู้ให้เรามาดูด้วยความรู้สึกตัวนาและประสงค์ก็คือการที่เราเพียรพยายามลงไปปฏิบัติลงไปให้เต็มที่เต็มกำลังของเรานาตรงนี้ก็จะทาให้เราได้ประสบพบเห็นนาสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงนาที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคน ก็ขอให้ได้ประสบพบเห็นได้ในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร